เพราะว่าขณะบูชาขณะหนึ่งขณะที่เผาบ้านเผาศาลาเผ า, า, า, า, า, ากุฏิก็ขณะหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายบางทีก็สวดตาเช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดเี่ยรหังอิติปิโสเสร็จแล้วก็ไม่ยอมดับไฟเมื่อไม่ยอมดับไฟก็ออกกุฏิไปบินทบาทกลับมาอีกทีหนึ่งก็เหลือแต่เ ห, แตเหลือแต่เท่าฐานน่ยนะคราวนี้ทําไงอะ่ะใครจุดคนนั้นรับผิดชอบนีนะคนนั้นจ่ายนีใครจุดคนนั้นจ่ายก็ถือว่าเป็นของสงฆ์เพราะฉะนั้นก็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 สมัยใหม่ก็เรื่องไฟฟ้าเรื่องอย่างอื่นมันก็ดีกว่าแสงเทียนเนี่ยนะบางทีเราก็เห่อไอ้ประเพณีวัฒนธรรมจุดเทียนเนี่ยนะเห่อจนมากก็ไอ้ประทีปแปล ว, ว่าแสงสว่างเขาบูชาด้วยแสงสว่างบ้านเราก็ไปเข้าใจผิดว่าหมามันจะต้องเทียนเท่านั้นแหละแต่บางทีก็ต้องเดินเวียนเทียนจะลวกมือหมดเลยเนี่ยนะลวกมือไหมมือหมดเขาบูชาด้วยแสงสว่างเขาไม่ได้บูชาด้วยน้ำตาเทียนเนี่ยนะ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 แต่แล้วก็ไม่ได้สวดมนอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะมันร้อนระ อ, อุ ก, กระวนกระวายว่าหนักๆเข้าไม่รู้อะไรคือบุญก็ไม่รู้นะไม่รู้ไอ้แสงไฟหรือแสงทูบก็ไม่รู้มันเป็นบุญกันเนี่ยงงเลยกันเนี่ยเอาไปเอามาบุญกิริยาวัตถุสิบวันนี้ได้บุญมาทั้งวันจากอะไรบอกเงืยจดติ๋งๆเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันทํายากทําเย็นปีทำครั้งเดียวพอแลี้ยงก็กลายเป็นว่าบุญเกิดได้หน่อยเดียวเนี่ยนะก็ะทำไปทํามาไม่รู้ว่าทำบุญหรือทําอะไรก็ไมร่รู้งงไปหมด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 ว่าจริงๆแล้วมันมีโทษเนี่ยเขาควรระวังเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเนี่ยบางทีเห็นคนอื่นเขาจุดเอามั่งเนี่ยนะเนี่ยนะ ก, ก็ต้องระวังแม้กระทั่งการไปประทักศินก็เหมือนกันเนี่ยนะไปประทักศินก็ต้องดูว่าอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์หลักของการให้แสงสว่างเนี่ยผู้บูชาด้วยแสงสว่างเขาไม่ได้ถือไฟเดินรอบสาราหรอกประเพณีอันนี้เขามาทำเพิ่งทําไม่นานนี้เองเนี่ยนะ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 S <S เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้เ네นี่ยนะถ้าไปทางภาคเหนือ <S <S เป็นต้นเ네นี่ยนะถ้าถ้าดูจากข้างบนลงไปเ네นี่ยมันจะมีดวงไฟเผาอ่นนะหรือไปเดินขับรถผ่านภูเขาทั้งหลายเนี่ยพับเพลิงเ네นี่ยเผาแสดงลุกท네่วมเนี่ยนะเรียกว่าไฟลุกท네่วมภูเขาไปหมดนึกถึงว네่าสรรพะัตร์ทั้งห네ลายที่อยู่ณบริเวณนั้นเนี่ยตายเท่าไหร่นาะเนี่ยนะแล้วก네็ไฟเนี่ยเผาเผาเผาป่าเนี่ยนะเผาลุกลามอนาบริเวณเป็นร้อยไร่พันไร่เนี่ยแหละ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 ใครจะคิดนัว่าดวงอาทิตย์ยามร้อนระอุพระตกกลางคืนเย็นแล้วจะกลางคืนน่าจะเยือกเย็นเลยนะอย่างเช่นแผ่นดินทะเลทรายเนี่ยแผ่นดินทะเลทรายเนี่ยกลางวันเนี่ยร้อนสี่สี่สิบเป็นสี่องศาห้องศาไปก็มีตกกลางคืนน่เป็นยังไงอากาศติดลบนีนะกลางวันก็ร้อนระอรุกลางคืนก็ติดลบแล้วใครที่ไปอยู่บริเวณนั้นเอาอะไรมาอยุยืนล่ะนะร้อนเย็นเย็นร้อนร้อนเย็นวิโรธที่ปัจจัยจะไปไหนใช่ไหม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 ตกผลึกกลายเป็นก้อนเพชรเนี่ยนะเพชรใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าเครื่องเจรไนเพชรก้อนนะั้นต้องใช้เท่าโล ก, กว่างั้นนะนะตัวเครื่องเจีรไนเพชรอันนั้นเนะี่ยเพชรอันนั้นใหญ่คือดวงอาทิตย์ที่มันมันค่อยหมอดเพชรจริงๆแล้วค่าที่เป็นจริงของเพชรคืออะไรนั่นแนหะฉันใดก็ดีพวกพวกดวงอาทิตย์ถ้ามันในที่สุดนะมันเผามาหลายๆพันล้านปีแล้วมันตกพลึกนะพะมันตกพลึกปับ๊บมันก็จะกลายเป็น เป็นเพชรไปเมื่อกลายเป็นเพชรเข้านี่ยนะต้องเอาโลกเราเนั่นแหละระดับะเครื่องเจียเท่ากับโลกนี่ยแหละจึงไปเจียรนานเพชรก้อนนั้นสําเร็จว่างั้นนั้ก็ยังลอยอยู่ในอวากาศอยู่นะเพชรก้อนนั้นแต่ว่าห่างจากนี้หลายเป็นร้อยปีแสงอ น, น, นอะก็เรียกว่าเป็นเป็นปีเป็นเป็นปีปแสงอ่ะนะหลายปีแสงอ่ะใครอยากจะใช้เพชรก้อนนั้นก็ไปเถอะนะใหญ่กว่าโลกก็แล้วกันไอ้ก้อนนั้นนะไม่รู้ประดับตรงไห น, นอ่ะเนาะ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 ไฟที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไฟเหล่านั้นก็ยังมอดแล้วธาตุไฟที่อยู่ในกายเรานี่แหละไอธาตุไฟที่เรายึดถือไอความอบอุ่นอยู่แค่30กว่าองศาเนี่ยนะในร่างกายของเราซึ่งมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยมันจะไปยั่งยืนมั่นคงอะไรขนาดภายนอกยังไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปดับไปเปรีปรวนไปและธาตุไฟที่อยู่ในกายนี่แหละนะที่เรามายึดถือว่าเราว่าของเรามีอยู่มันตั้งอยู่ตลอดกาล เล็กน้อยเนี่ยนะกายไฟในกายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลวนไปเป็นธรรมดาก็เป็นของที่แปรปรวนทำไมมันจะไม่ปรากฏยังไงกายนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นความยึดถือด้วยคามสามารถตันหามานทิฏฐิในเตโชธาตานั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยคือถ้ามนุษย์การโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนา อ น, นัตตานุปสนาพิจารณาความไม่เที่ยงของเตโชาธาตในภายนอกแล้วน้อมมาเปรียบเตโชาธาตในภายในเตโชาธาตในภายนอกที่มันลุกลามใหญ่โตก็ยังแตกยังดับได้แล้วเตโชาธาตในภายในแล้วจะไม่แตกจะไม่ดับจะไม่สูญจะไม่สลายไปได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจริญไปอย่างนั้นเตโชาธาจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเตโชาธาจะไม่เป็นที่ตั้งแห่ง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 คราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือจะเป็นไปในกายก็ดีการประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้ด้วยศาตราจะเป็นไปในกายนี้ก็ตามทีเถอแปลว่าช่างมันเถอเนี่ยนะมันจ ะ, จ ะ, จ, ะจะถูกทุบถูกเกี่ยนถู ก, ถกตีจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็ น, ปนวัดกับช่างมันเถอเราจะทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้จงได้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 หากว่าเมื่อพิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอนอาศัยกุศลธรรมตั้งได้อยู่ด้วยดีสายโอ้ดีเยี่ยมเลยนะกุศลแล่นไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องไปก็เป็นผู้ปีติและปราโมทปรปาปลื้มใจเพราะเหตุนั้น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 วาโยาธาตสมัยที่วาโยาธาตภายนอกกําเริบ ม, มีได้แลย น, นะเคยเห็นวาโยาธาตภายนอกเคยเห็นพายลมเห็นลมพายุที่มันพัดกระหน่ามาชนิดรุนแรงพัดบ้านพัดเมืองไปต้นไหมเพราะอะไรเพราะวายโยธาตบางอย่างเนี่ยมันพัดเอาบ้านพัดเอานิคมพัดเอานครพัดเอาประเทศมีอยู่ช่วงหนึ่งลมพายุมันเข้าแรงที่จะพัดอเมริกามเมื่อไม่นานเนี่ยนะเราแม้ต้องขนย้ายเครื่องบิน ย, าย้ายทัพผสมพาะออกไปเยอะแ ย, ย, ยะเลยเนี่ยนะนะเพราะคืนวางเอาไว้ตรงนั้นแ เครื่องบินอาจจะเปลวก็ได้เนี่ยนะเครื่องบินอาจจะเปลวเพราะลมมันแรงขนาดนั้นเนี่ยนะเระียกว่าอาคารบ้านเรือนเสาไฟฟ้าเป็นต้นเนี่ยถูกพัดกระ น, นําไปหมดอันนี้เพราะอะไรเพราะวาโยธา ค, คลื่นลมที่ร้อนแรงร้อนระอุเนี่ยเรียกว่าไม่ลมแบบลมลมบวกกับ น, น้ําด้วยใช่ไหมทั้งลมทั้งฝนเนี่ยนะทำให้คลื่นในทะเลนเนี่ยมันรุนแรงเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยจมตายไปเท่าไหร่แล้วนะเพราะคลื่นลมเนี่ยนะเพราะคลื่นเพราะลมทั้งหลายนั่นแหละ ทีนี้วาโยธาภายนอกที่ถึงมันจะร้อนแรงขนาดนั้นบางครั้งเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยจ้ะถ้าไม่มีลมอะไรเลยบางทีต้องหาพัดใช่ไหมบางวันเนี่ยลมโชยบางทีต้องหาพัดลมมาตั้งเป่าวางังกันน่ยบางทีอย่างชายทะเลเนี่ยโดยมากมันจะลมใช่ไหมบักพักหนึ่งเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยเนี่ยน่ะแมอบอ้าวแะ้วกันเนี่ยนะทั้งอบอ้าวอาบน้ําทะเลล่ะอากาศอบอ้าวแล้วอาบน้ําทะเลนี่มีความสุขไหม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 โอ้โยมันนิ่งเนี่ยนะถ้ามันนิ่งอย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติจะเป็นยังไงนะโอ้โยเห็นโทษของวัตตะเลยใช่ไหมปาถนานิพพานเลยปาถนาที่มันโชย <laughs> เล่นสบา ย, ยานะนย